เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนท บ, บุรีเมื่อสิบปีที่ผ่านมาคุณอ้ําย้า้มาอยู่ที่อำเภอไทน้อยตั้งแต่อย่างเด็กบ้านของคุณอ้ําจะอยู่แถวๆปากซอยแถวที่คุณอ้ําอยู่จะมีทาวเฮ้าใหม่ๆผุดขึ้นอยู่หลายหลังแถวกลางซอยแต่เดิมมีทาวเฮาเก่าๆอยู่หลายหลัง แต่ก็ได้รับการตกแต่งใหม่ทุกหลังท้ายซอยจะเป็นบ้านสองชั้นอยู่หลังหนึ่งเก่าและทรุดโทรมมากก็เป็นเรื่องแปลกที่ไม่มีบ้านหรือทาวเฮาส์หลังไหนกล้าปลูกติดกับบ้านหลังนี้แต่จะขยับออกไปปลูกห่างๆกันบ้านหลังนี้ร้างมาตั้งแต่คุณอ้ําย้ายเข้ามาอยู่ผ่านมาไม่กี่เดือนก็ได้มีคนเข้ามาปรับปรุงใหม่ ซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าของแล้วแขวนป้ายให้เช่าไม่นานก็มีคนมาเช่าอยู่เป็นร่างทรงคุณอ้ํามักจะชอบอัญจักรยานไปเล่นแถวแถวท้ายซอยอยู่บ่อยๆจะเห็นพวกตุ๊กตาพวกของบูชาอยู่เยอะมากุะล้นออกมาหน้าบ้านและจะมีควันธูปลอยขมุงอยู่ตลอดเวลา ร่างทรงเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้เกือบสิบปีแล้วก็ได้ย้ายออกไปไม่กี่วันต่อมาก็มีคนใหม่เข้ามาเช่าอยู่แต่ก็อยู่ได้แค่สองวันคุณอ้ําได้ยินชาวบ้านแถวนั้นพูดกันว่าคนที่มาเช่าอยู่ใหม่รีบผลย้ายของออกกลางดึกทันทีแต่ทุกคนก็ไม่ทราบเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไร หลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนก็มีน้าของเพื่อนคุณอ้ําย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ช่วงแรกๆตอนที่น้าย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆนาเป็นคนปกติดีทุกอย่างแต่หลังจากที่อาศัยอยู่ได้ที่นี่สองเดือนก็เริ่มกลายเป็นคนที่เพอ้อมักจะบอกว่าเขามีแฟนและลูกอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยทั้งๆที่นาอยู่ที่นี่แค่คนเดียว วันนั้นคุณอ้ําได้ขอคุณแม่จะไปนอนบ้านนาของเพื่อนที่อยู่ท้ายซอยจึงเดินถือหมอนไปที่ท้ายซอยกับเพื่อนสองคนพอไปถึงบ้านนาก็คุยเล่นกันปกติจนเวลา ย, ย่างเข้าตีหนึ่งก็ขึ้นไปนอนกันที่ชั้นบนส่วนนาจะนอนอยู่ที่ชั้นล่างในห้องชั้นสองไม่ได้มีข้าวของอะไรมากนัก มีเพียงแค่เตียงนอนที่อยู่ขวามือโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ถัดจากเตียงนอนตู้เสื้อผ้าจะอยู่ตรงปลายเตียงส่วนห้องน้ำจะอยู่หลังห้องตรงข้ามกับประตูทางเข้าพอดีคุณอ้ํานอนไปได้สักพักเริ่มได้ยินเสียงพัดลมตั้งพื้นดังทั้งทั้ที่ตอนแรกมันก็ไม่ได้มีเสียงอะไรจนเพื่อนที่นอนข้าง สกิตแล้วบอกว่าพัดลมดังอ่ะคุณอั้มรู้ว่าเพื่อนกลัวเพราะปกติเพื่อนคนนี้จะเป็นคนกลัวผีมากคุณอั้มจึงลุกไปปิดเหมือนจะได้ไม่ส่งเสียงดังน่ารำคาญอีกสักพักใหญ่ๆคุณอั้มรู้สึกตัวตื่นเพราะเพื่อนสกิตที่หลังด้วยอารมณ์ที่ง่วงนอนปนโมโหจึงลุกขึ้นมาถามเพื่อนว่าเป็นอะไรเนี่ย ก็เห็นเพื่อนนอนหลับตาปีแล้วชี้ไปทางปลายเตียงปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงนั่งหันหลังอยู่ที่ปลายเตียงอายุรุ่นรุ่นอนุบาลสามผมยาวถึงกลางหลังใส่ชุดราตรีนั่งแกว่งหัวโยกตัวไปมาจากคนที่ไม่กลัวผีคุณอ้ําเริ่มคิดว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคืออะไรความกลัวเล็กๆ เ, เริ่มผุดขึ้นในตัว คุณอ้ําหลับตาลงคิดในใจว่าถาลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นแสดงว่าตาฝาดรู้เดียวคุณอ้ําค่อยๆลืมตาขึ้นมาเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หายไปที่ปลายเตียงมีเพียงแค่ตู้เสื้อผ้าเก่าๆจึงรู้สึกใจโล่งขึ้นมาทันทีแต่อยู่ๆประตูห้องมันกลับเปิดออกเองแล้วค่อยๆ อ, ยอาออกอย่างช้า คุณอ้ํารู้สึกขนลุกตั้งทั้งทั้งที่ตนเองเป็นคนล็อกมันกับมือก่อนนอนแท้ๆต้องมีคนเปิดมันจากด้านในเท่านั้นแต่ไม่ทันจะได้คิดอะไรต่อประตูห้องน้าก็ค่อยๆอ้าออกคุณอ้ำหันหัวขวับไปมองทันทีปรากฏว่าเห็นเด็กผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ปลายเตียงเมื่อครู่ไปนอนคว่มหน้าอยู่กลางห้องน้า คุณอ้ําตกใจจนตัวเกรงรีบหลับตาลงความกลัวเริ่มแผ่กระจายจนทั่วร่างกายนึกในใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่คนกลัวผีมันต้องไม่ใช่แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูอีกทีก็เห็นประตูห้องน้ำปิดอยู่ในสภาพเดิมคุณอ้ําคิดในใจว่ามันคืออะไรกันแน่ ตาฝาดไปเองหรือเห็นภาพหลอนคุณอ้ำรีบปลุกเพื่อนที่นอนอยู่ข้างตัวให้ลุกขึ้นฟ้าตื่นตื่นเพื่อนก็ลืมตาขึ้นมามองหน้าคุณอำ้ำแต่ยังไม่ทันที่คุณอ้ำจะได้พูดอะไรเพื่อนก็ชิงพูดขึ้นมาก่อนว่าไม่ต้องเล่าแล้วเห็นทุกอย่างแล้วคืนนั้นคุณอ้ำกับเพื่อน ตสินใจวิ่งลงไปข้างล่างแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันรุ่งเช้ามาจึงมานั่งเล่ากันว่าต่างคนต่างเจออะไรกันบ้างคุณนัดเล่าไปถึงตอนที่เห็นเด็กนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วพยายามหลับตาลงพอลืมตาขึ้นมาก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นคิดว่าโคงตาฝาดไปเอง แต่เพื่อนกลับบอกว่าความจริงเด็กมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันลุกเดินไปเปิดประตูห้องแล้วเดินกลับมาเปิดประตูห้องน้ําแล้วก็เดินหายเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะเด็กคนนั้นกึ่งวิ่งกึ่งเดินอยู่ในอาการลุกลี้ลุกลนเหมือนกําลังหนีอะไรบางอย่างช่วงเย็นเวลาประมาณหกโมง คุณอ้ําและเพื่อนจึงเดินไปเล่าเรื่องนี้ให้น้าฟังแต่น้ากลับไม่เชื่อทุกคนจึงเดินขึ้นไปดูกันที่บนห้องคุณอ้ําเดินนําหน้าขึ้นไปบนชั้นสองเปิดสวิตช์ไฟที่อยู่แถวหัวบันไดหลอดนีออนกระพริบอยู่สองสามทีแล้วก็ดับพลึบแต่ทุกคนก็ไม่ได้สนใจอะไรมันมากนักก็เดินต่อเข้าไปในห้อง จังหวะที่เปิดประตูเข้าไปกลิ่นอับๆพุ่งปะทะจมูกคุนอ้ําจนต้องรีบเอามือปิดจมูกสภาพของห้องต่างจากเมื่อคืนอย่างลิบลับพื้นไม้มีฝุ่นเกาะอยู่หนาเตอะเตียงนอนมีแต่ฝุ่นจับอยู่เต็มผ้าปูเตียงตู้เสื้อผ้าเก่าจนแทบจะหักพับลงมาให้ได้ทุกเมื่อกระจกหน้าโต๊ะเครื่องแปะ มีแต่คราบฝ้าสีขาวจับอยู่ทั่วทั้งบานคุณอ้ําหัวใจต้นแรงเหมือนแทบจะหลุดออกมาคิดอยู่ในใจว่านี่เมื่อคืนเรานอนอยู่ในห้องนี้เหรอหันไปมองหน้าเพื่อนเห็นเพื่อนมันทําหน้าจะร้องไห้คุณอ้ําถามน้าว่านะทําไมห้องนี้มันถึงได้เก่าแบบนี้นาะก็ตอบกลับมาว่าก็ตั้งแต่ที่มาอยู่ ยังไม่เคยขึ้นมาเหยียบข้างบนนี้เลยรู้สึกไม่ชอบข้างบนนี้คุณอ้ําเหลือไปมองที่ประตูห้องน้ำก็พบว่ามันถูกล็อกไว้ด้วยแม่กุญแจเก่าๆจากด้านนอกแล้วก็มียันสีแดงเก่าๆแผ่นประมาณเท่าฝ่ามือแปะอยู่กลางประตูห้องน้ำถึงแม้ว่าคุณอ้ําจะกลัวแต่ก็มีความรู้สึกว่าต้องรู้ให้ได้ ว่ในาห้องนั้นมันมีอะไรจึงขอทุบแม่กุญแจที่ล็อกประตูห้องน้ำไว้น้าก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรคุณอําเอาขอนหวดจนที่ล็อกแม่กุญแจกระเด็นหลุดออกจากบานประตูเรียบร้อยอยู่ๆก็รู้สึกถึงความกลัวในอะไรบางอย่างในใจก็คิดว่าถ้าเปิดออกมาแล้วเจอศพเด็กจะทำยังไง คุณอ้ํารวบรวมสติค่อยๆผลักประตูช้าๆสภาพห้องน้ำค่อนข้างเก่ามากมีหยักใ่และเชื้อราดำๆเกาะอยู่เต็มฟ้าและผนังมีกระถางทูบสีน้ำเงินเก่าๆมีทูบที่เหลือแต่ก้านปักอยู่หนึ่งดอกวางอยู่กลางห้องน้ำข้างๆกระถางทูบมีจานใส่กับข้าวขึ้นราดำๆอยู่หนึ่งจาน มีชุดราตรีสีขาวเก่าๆของเด็กผู้หญิงแขวนอยู่ตรงราวแขวนผ้าขนหนูมีตุ๊กตาเกือบๆร้อยตัวทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่กองอยู่ทางผนังฝั่งชักโครกคุณอ้ําเห็นแบบนั้นก็ปังหงาถอยกลับรีบปิดประตูทันทีน้าที่ยืนอยู่ข้างๆทำสีหน้าหวาดกลัวไม่ต่างจากคุณอ้ําส่วนเพื่อนรีบเดินจำออกจากห้องไม่พูดไม่จาสักคำ คุณอ้ําอยากจะเดินตามหลังเพื่อนออกจากห้องนี้ใจจะขาดติดที่ว่าขาทั้งสองมันตายสนิทมาขยับได้ก็ตอนที่ได้ยินเสียงน้าพูดว่าลงไปข้างล่างกันดีกว่าคุณอ้ําจึงเดินลิ้วออกจากห้องก่อนแล้วน้าก็เดินตามหลังมาติดๆระหว่างที่กําลังเดินลงบันไดก็แววได้ยินเสียงเหมือนเด็กกําลังฮัมเพลง ออกมาจากในห้องน้ำทำให้ขุณอัํมเสียวสลังวา่าความคิดที่ว่าตนเองเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีบัดนี้รู้สึงแล้วว่าตัวเองเป็นคนกลัวผีมากๆหลังจากนั้นขุณอั้มขอให้น้าย้ายออกจากที่นี่แต่นากลับบอกว่าย้ายออกไม่ได้เพราะนาทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ที่นี่ไม่ได้ ทำให้คุณอ้ำเริ่มระแวงว่นลูกเมียที่น้าพูดถึงอยู่บ่อยๆเป็นใครกันแน่จนต้องมีญาติมาบังคับให้ย้ายออกน้าถึงจะยอมย้ายคุณอ้ําพยายามถามประวัติบ้านหลังนั้นจากคนที่อยู่ในซอยเดียวกันแต่กลับไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวุ้นอ้ําครับ ถ้าชอบกอย่าลืมกดไลค์กด s u ั s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ